วันอาทิท um. <ฤ Assistant? S 2> ี่ส5บห้าธันวาคมพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอาจารย์สุเทพโฟธิสัทธาเปนสามัชนที่เขาเลิกระสูตรวันนี้เป็นสูตรวัรที่เจ็ดลำดับสูตรที่ห้ามีชื่อว่านาครสูตรหรือนครสูตรนั่นเอง แต่ว่าเรื่องนครคือเรื่องตัวเมืองเนื้อหาของสูตรนี้ได้ทรงตรัสถึงการค้นพบอาริยมัชซึ่งเป็นทางไปสู่พระนครคือพระนิพพานโดยได้นําเอาประมาเปรียบเทียบเหมือนกับบุคคลผู้ค้นพบเส้นทางเก่าที่นําไปสู่เมืองเก่าคือพระนครเก่านั่นเอง พระสูตรนี้มีเนื้อความว่าพระผู้มีพระภาคประทับที่พระเชตวันอารามของท่านอนติกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเล่ห์ที่สู่ทั้งหลายมาว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโอดีสัตยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้ความคิดอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความลําบากหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัต ก็มาเป็นเช่นนี้ไม่มีผู้ใดทราบชัดซึ่งทำเป็นที่สลัดออกจากกองทุกคือชรลาและมรณะนี้ได้เลยเมื่อไรหนอทำเป็นที่สลัดออกจากกองทุกคือชะลาและมรณะนี้จึนปรากฏประสูนย์นี้ก็ได้ความชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปริวิตกถึงเรื่องที่จะนำไปสู่ปฏิจจสมุปบาทในคืนที่ได้ทรง ตราสลูนั่นเองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนตราสลูคือวันเพ็ญเดือนวิสาขาบูชาก่อนที่จะทรงค้นพบวิปัสนาวิปัสนาที่ทรงค้นพบเนี่ยพบในคืนนั้นฌานได้ทรงได้มาแล้วก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานการที่ทรงปริพิจตกอย่างนี้ก็เป็นการปริพิจตกด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าเห็นภพรในสังสารวัตร และสิ่งที่นับว่าเป็นภัยในสังสารวัตหรือสังสารทุกนั้นในที่นี้ตรัสเรียกว่าชาาและมรณะโดยความที่เป็นสภาวะก็คือวัตถุทุกนั้นได้แก่นามรูปซึ่งมีอาการดับไปเป็นจุดที่น่าเกลียดหรือเป็นจุดเด่นแห่งความเป็นทุกข์ที่สุดนามรูปนั้นย่อมจะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ความที่นามรูปเป็นของหน้าเกลียดนั้นเพราะมีความแตกดักไปทีนี้เมื่อพูดอย่างในทางกายภาพเนี่ยก็จะตราสว่าชรลาและมรณะชะลาและมรณะนั้นพูดอย่างเป็นสัตว์ก็ได้พูดอย่างเป็นสัตว์ก็คือมรณะอย่างเราตายถ้าพูดอย่างเป็นสภาวธรรมก็คือพังค่าขณะของนามและรูปก็เอาความว่าทุกข์ ในสังสารวัตนนั้นพูดเป็นสองแบบแบบหนึ่งที่เป็นครอบลาลบเบื้องต้นเห็นได้ก่อนก็คือแบบโลกอวิหารที่ตรัสถึงชีวิตที่ต้องแก่และต้องตายพูดอย่างจุดเด่นที่สุดนะฮะไอจุดเกิด บ, บางครั้งก็พูดอย่างในทุกขอเดียตชาติที่ทุกขาเป็นต้นแต่ว่าจุดเน้น ของความเป็นทุกข์ในตอนเกิดท่านก็บอกว่าเพราะว่าเมื่อมีการเกิดการตายปรากฏเพราะการเกิดเป็นปัจจัยถ้าจะพูดอย่างเดียวก็พูดถึงความตายความแก่และความตายเป็นของหน้าเบื่อหน่ายหน้าจะลุกลัวอันนั้นเป็นพูดอย่างโลกโวหารแต่เมื่อพูดอย่างปรมัตถโวหารวัฏตาทุกคือนามรูปในขณะแห่งความแตกดั เป็นทุกข์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกสะลุกสะเทือนแก่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างที่เราได้พูดกันมาหลายครั้งไลายหนแล้วเวลาพระพุทธเจ้าทรงปริวิตกถึงทุกข์ครั้งแรกถึงภัยในสังสา ร, รวัตรครั้งแรกเนี่ยก็ปรากฏอย่างที่เราได้รู้ในพุทธประวัติเมื่อทรงเห็นคนเจ็บคนตายนะฮะนั่นแหละเป็นอสิ่งส ก, กิดระเทยครั้งแรกที่ทําให้ทรงปราลกถึงทุกข์ในสังสา ร, รวัตร และหลังจากนั้นเมื่อได้ทรงออกบวชแล้วก็ได้ทรงหาหนทางมาตลอดจนมาถึงคืนตัศลูนั้นก็ได้ทรงพิจารณาโดยลาดับจากผลคือทุกไปสู่เหตุของทุกโดยลาดับโดยในยะของปฏิจจสมุปบาทจึงได้ทรงปริวิตกด้วยข้อความนี้นะครับโลกนั่นก็หมายถึงสัตวโลก จากนั้นจึงได้ทรงพิจารณาสืบลำดับหาเหตุผลต่อไปว่าเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแหลมีอยู่ชลาและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติแลมีอยู่ ชาาและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปันจจัยจึงมีชาลาและมรณะอ่า น, นี่ก็เป็นการพิจารณาสืบไปหาเหตุใกล้ที่สุดของชาลาและมรณะชาลาและมรณะโดยทางกายภาพนั้นอาศัยการเกิดเป็นเหตุเป็นปันจจัยทําให้ตายเพราะมีการเกิดที่มีความตายอันนี้ก็เป็นเรื่อความอย่างที่รู้อยู่ ในทางสภาวะธรรมขั้นปรมัตน์เพราะมีอุปาทนาจึงมีชลา แ, และมรณะคือความดับอันนั้นเป็นขั้นปรมัตน์ลงลึกสืบไปก็ความตัวนี้ก็เป็นข้อความซ้ําเดิมไปโดยลําดับซ้ําเดิมคือซ้ําที่เราได้พูดกันมาแล้วแล้วก็ได้ทรงพิจารณาไปโดยลําดับโดยลําดับจนถึงข้อความที่ว่า เมื่อวิ ญ, ญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปจยยัจจัยจึงมีนามรูปเราจะเห็นว่าทรงหมวดหรือทรงจบปฏิจจาไวแต่ส่วนตรงนี้อัตฉริยะท่านก็แก้ว่าเพราะว่าพระพุทธเจา้าเมื่อทรงพิจารณาตอนนี้นั้นยังทรงล่ า, าวิจาไม่ได้ยังขึ้นไปไม่ถึงอวิจาจึงอยู่เฉพาะในภาคของการกำหนดรู้ทุกและสมุทยัย การกำหนดรั้ววิชานั้นเป็นเรื่องเป็นปลายภายหลังเมื่อวิปัสสนาญาณดาเนินถึงขั้นโลกุตตละมักปรากฏการกำหนดรั้ววิชาจึงปรากฏข้อความตรงนี้มีเนื้อความที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษที่ถือเป็นจุดผิดแปลกไปจากปฏิจจารที่ได้พูดมาในสูตรอื่นที่ว่าเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแหลมีอยู่วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการใส่ใจโดยแยกคลายของเรานั้นจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณตรงนี้ก็จะเห็นว่าท่านได้ตรัสถึงความสัมพันธ์กันระหว่างวิญญาณกับนามรูปกล่าวคือ นามกับรูปนั้นเป็นอัญญามัญญะปัจจัยกันอัญญามัญญะปัจจัยแปล ว, ว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันในเวลาเดียวกันเป็นไปพร้อมกันอธิบายว่าวิญญาณคือปฏิสนธิเมื่ออย่างลงรูปก่อนรูปคืออัตภาพหรือร่างกายของสัตว์ก็เกิดเพราะอาศัยวิญญาณเป็นประธานถ้าไม่มีวิญญาณเป็นหลัก นามาสู่การปฏิสนธิแล ah ้วอ er ัตภาพของสัตว์นั้นก็ปรากฏไม่ได้สำหรับนามหมายถึงคุณสมบัติของวิญญาณหรืออาการของวิญญาณหรือพูดอย่างเป็นภาษาวิธามก็คือเจตสิกธรรมที่ปรากฏประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดขึ้นทันทีเป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญาณของเราปฏิสนธิวิญญาณทาหน้าที่กอบภพก่อชาต แสดงการเกิดนามคือเจตสิษย์ที่ประกอบก็แสดงคุณสมบัติของสัตว์ผู้เกิดนั้นว่ามีคุณสมบัติอย่างไรในทางนามแล้วท่านกล่าวว่านามและปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณรูปกับปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณ น, นั้นต่างฝ่ายต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันคือในชั้นแรกเนี่ยปฏิสนธิอย่างอาการที่ปฏิสนธิปฏิสฐานเนี่ย ทำให้เจตสิกและรูปปรากฏเกิดขึ้นและพร้อมกันนั้นนามคือเจตสิกนั้นก็แสดงคุณสมบัติของวิญญาณของผู้นั้นรูปก็เป็นที่สถิตอยู่ของวิญญาณของผู้นั้นเป็นปัจจัยกันโดยอาการอย่างนี้ก็สูตรนี้ได้พูด อย่างชัดเจนว่านามรูปเป็นอุปยาบัญญะปัจจัยกันจากนั้นก็ได้พิจารณาว่าเราได้มีความคิดดังนี้ว่าวิญญาณ น, นี้แลดได้กลับแล้วเพียงเท่านี้ไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกย่อมเกิดแก่ตายจุติเลบัตกล่าวคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยุตะนะ อ น, นี้ก็พอมาถึงตรงนามรูปเป็นปจัจแกสลารตะนานั้นเป็นการกล่าวในลักษณะสายเดียวคือไม่กล่าวแบบมีลักษณะปะจัจจัยสวนทางเหมือนอย่างนามลูกอวิญ ญ, ญาณความทุกข์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นอย่างนี้อข้อนี้อธิบายว่าที่ตรัส ว, วิญ ญ, ญ, ญาณนี้ได้กลับแล้วไม่พ้นไปจากนามรูปได้เลยเนี่ยก็คือเมื่อมีปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณ เจตสิกและรูปก็เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิวิญญาณ น, นั้นวิญญาณ น, นั้นก็จะมีสืบต่อไปสืบต่อไปคือจิตขณะอื่นๆก็เกิดสืบต่อไ ป, เ, เ, ปไเพราะเกิดแล้วพวกเนี่ยเพราะเกิดแล้วเพราะมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดจิตอื่นๆก็เกิดกรรม ก, ก็ส่งเสริมเป็นชนกกรรมเป็นอุปธารรมพุกกรรมให้วิญ ญ, ญาณอื่นๆเกิดสืบต่อไป กลับไม่ได้กลับไม่ได้ก็คือว่าวิญญาณจะขอถอนตัวว่ากับเจ้านี้เพียงพล้้าไปแล้วขอกลับภูมิเดิมหรือขอกลับไม่เกิดอีกก็ไม่สามารถจะถอนได้เรียกว่าเข้ามาสู่กระแสะเหตุปัจจัยติดกับดักของเหตุปัจจัยเสรแล้วอธิบายเป็นลักษณะอย่างนั้น จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าดูก่อนทุกสูตทั้งหลายจากสูุยานวิชาแสงระหว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่ไม่ได้ฟังมาก่อนว่านี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นข้อนี้ก็เป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิปัสนาและได้ปฏิบัติวิปัสนาโดยในย่าของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์คนใดดังที่ได้เคยกล่าวแล้วว่า วิปัสนาของเราเนี่ยเราได้โดยสุตายานได้ไหมายถึงได้มาเป็นข้อปฏิบัติที่เร า, เาปฏิบัติอยู่เนี่ยได้มาโดยในของสุตายานส่วนของพระพุทธเจ้านั้นทรงได้วิปัสนามาจากจินตายานจินตายานในวิปัสนานี้จึงกล่าวว่าเป็นของเฉพาะพระพุทธเจ้านคนอื่นมีจินตายานอื่นได้แต่ไม่มีจินตายานกรณีนี้ ดังนั้นใครที่กล่าวว่าเป็นผู้ค้นพบที่ปัสสนาญาณเองเนี่ยคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นจากนั้นก็ได้ตรัสสายบัตสายบัตเนี่ยผมไม่อธิบายแล้วก็อาจจะไม่อ่านทั้งหมดที่ตรัสว่าเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรเนาะแลอะไรไม่มีอยู่นี่ชลาและมนณจึงไม่มีก็พิจารณาเห็นว่าชาติไม่มีอยู่ ชลาและมรนะจะไม่มีก็พิจารณาโดยลําดับนี้ครับมาจนกระทั่งถึงวิญญาณกระนมรูปเมื่อสองอย่างนี้อันใดอันหนึ่งไม่มีอันหนึ่งก็ไม่มีปฏิสนธิไม่ปรากฏคุณสมบัติของชีวิตก็ไม่ปรากฏเครื่องตรงแต่งวิญญาณนั้นก็ไม่ปรากฏเครื่องอาศัยอยู่ของวิญญาณนั้นก็ไม่ปรากฏก็พิจารณาโดยนัยดักผมข้ามไป ให้ดูเนื้อความที่ท่านตรัสว่าเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่ามรคนี้เราได้บรรลุแหลด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้คือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับแล้ววิญญาณดับนามรูปจึงดับพราะนามรูปดับสลายชนะจึงดับปัสสาะดับความดับถึงกองทุกข์ข้างมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้จะเห็นว่าทรงตรัสว่ามรคนี้ก็หมายถึงมร สองอย่างคือวิปัสนาเป็นโลเกียมัตที่ประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้าก็เว้นวิรตีสามเสียธรรมากัมมันตะธรรมากีวะธรรมาวาจาไม่มีเวลาคนทําวิปัสนาและเป็นวิปัสนาอยู่ไม่มีวิรตีเป็นปัญจัคีโรมัตในโลเกียเมื่อมาบรรลุโลกุตะละเป็นพระโสดาบันจนถึงเป็นพระอรหันต ก็เป็นโลกกตะละมัดเป็นตัวปฏิบัติกำหนดโลปฏิจจสมุ ป, ปาฏก็เป็นเป็นเหตุให้ดับทุกข์ที่ทรงค้นพบก็ได้ทรงกรัอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อความที่ผมไม่อธิบายเน้นเข้าไปอีกสำหรับในในที่นี้นะฮะเรามาดูส่วนที่ได้ทรงอุปมาตรงนี้นะเราเคยได้ยินกันมาบ่อยๆมาก อ่ถึงว่าจะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกมาเองเราก็ได้ยินฟังพระเจ้านักวิชาการทางศาสนาท่านจะได้อ้างถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ค้นพบทำบ้างไม่ได้เป็นผู้สร้างทำเป็นผู้ชี้ทางทำมีได้เป็นผู้อืเราเองต้องเดินเองไม่ได้เป็นผู้ทําให้ใครอย่างนี้นะฮะแต่บางครั้งก็สงตรัสว่าอตัดเหมือนจะขัดกันในกรณีทั้งสองอย่างว่าเป็นทรง ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งเป็นที่อ า, อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนกับว่าจะทรงแบกหามใครให้ขนสัตว์ไม่ใช่ชี้มานแหงว่าใช้เขนเนี่ยนะหรือสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ปวิพญาณฟังดูเหมือนขัดกันดิเช่นเดียวกันและในชํานองค้นพบธรรมบางครั้งก็ทรงตรัสว่าทรงเป็นธรรมรักสามีคือเจ้าของธรรมและบางทีถึงตรัสว่าถ้าพระองค์ไม่เกิดธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏก็ฟังดูเหมือนขัดกันนะครับก็จะ อธิบายเฉพาะตรงส่วนนี้หน่อยจากอุปมานี้ได้ทรงตรัสเปรียบเทียดว่าบรุษเมื่อเทียบไปในป่าทึบได้พบมรดกเก่าหนทางเก่าที่คนก่อนๆเคยเดินไปมาเขาเดินตามทางนั้นไปเมื่อกำลังเดินตามทางนั้นอยู่พบนครเก่าพบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้ พะโบกรณีมีเชิงเทินล้วนหน้ารื่นรมที่คนก่อนๆเคยอาศัยมาคือเคยอยู่อาศัยมามาีนเพื่อจะแสดงความเป็นอดีตครั้งนั้นแหละบุรุษคนนั้นจึงกราบทูลแก่พระราชาหรือเรียนแก่ราชมหมาว่าขอเดชะองค์จงทราบเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ข้าพระวุทธเจ้าได้เที่ยวไปในป่าก็ได้พบเนี่ยทางเก่าแล้วก็พบนครโบราณที่คนเก่าได้เคยอยู่อาศัยมามีสถาโบกรณีเชิงเทินล้วนแต่หน้ารื่นรมแล้วก็กราบทูลแก่พระราชาว่าขอพระองค์จงทรงสร้างพระนาครนั้นเถิดพระเจ้าค่ะต่างก็คงจะหมายถึงบรณะซ่อมแซมให้เป็นนครที่อาศัยได้อีกใหม่ต่อไป พระพุทธเจ้าก็ส่งเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นเชิงเปรียบเทียบก็จริงจริง ค, ความจริงก็คงมีนะฮะเพราะว่าการค้นพบเมืองเก่าๆ เ, เนี่ยก็พมคนพบกันมาตลอดนะครับคนรุ่นเก่าก็พบเมืองคนพบเมืองรุ่นเก่ากว่าคนรุ่นหลังก็พบเมืองรุ่นเก่าหลังๆไปโดยลําดับโดยลําดับที่จมหินจมฝ้ายจมดินจมฝ้ายอยู่ก็มากและที่อยู่ในทะเลก็มาก ก็ตรงกับทำให้เราได้ความเข้าใจอย่างธรรมดานี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนี่เป็นเความอระมาณต่อไปว่าพระราชาหรือราชามาจึงสร้างเมืองนั้นขึ้นสมัยต่อมาเมือง น, นั้นเป็นเมืองมั่งคั่งและสมบูรณ์ขึ้นมีประชาชนกันนั้นมากมีมนุษย์เกลื่อนกลม และเป็นเมืองถึงความเจริญภัยบูรณแม้ชันใดพิสูทน์ทลายเราได้พบมรกคาเก่าวนทางเก่าที่พระสมาสมา ธ, ธัมพุต้าองค์ก่อ น, อนเคยสเสด็จไปอันนี้ก็เป็นข้อเท็จที่ีเห็นชัดเจนเลยครับว่าเรื่องวิปัสสนานะคือบางเรื่องเนี่ยเก่าก็จริงแต่ว่าไม่หายไปจากสัญญาของชาวโลกอย่างเช่นเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องบุญยาวัตถุแม้แต่เรื่องชาเนี่ยเป็นของคู่โลก ไม่สูญสลาย ห, หายไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องมรรคแปดซึ่งหมายถึงวิปัสนาโลกียาวิปัสนานั่นแหละและมรรคขยานหุรยานเราพูดคุ้มครวมวาวิปัสนาจะเสื่อมเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมและเมื่อเสื่อมแล้วใครก็ไม่อาจจะค้นพบได้โดยบังเอิญโดยประการใดใเว้นแต่พระพุทธเจา้า ผู้ที่จะเป็นรูปที่เจ้าคนนั้นจะส่งค้นพบเหมือนบุรุษคนนั้นและวิธีการค้นพบก็คือพบด้วยการคิดคนในชะ้คาว่าคิดค้นเลยอย่างที่ว่ามาในตอนต้นสุดคิดอยากเอาทุกมาตั้งแล้วก็คิดเข้าไปหาเหตดแห่งทุกเหล่านั้นโดยลําดับจากนั้นไอ้ไอความคิดเนี่ยก็เป็นมักเป็นมักโลเคียมักที่ก่อตัวขึ้นในขั้นจินตายาม และเมื่อระหว่างที่คิดไปโดยลําดับนั้นวิปัสสนาก็เดินภาวนาญาณเกิดไปโดยอัตโนมัติเลยก็เป็นมรรคเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งมรรคญาณปรากฏก็เป็นมรรคที่สมบูรณ์ในระหว่างนั้นนี่เป็นของเก่าลุงทีเจ้าจัดว่าเป็นของที่สัตว์โลมาแล้วเพราะนั้นเรื่องพระวจีเจ้าในอดีตเนี่ยก็เป็นหลักที่เรารู้ว่าเคยมีมาแล้วและธรรมะที่พระวจีเจ้าในอดีตบรรลุ ก็เป็นธรรมะอย่างเก่าไม่มีอะไรใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างไอ้ข้อแตกต่างนั้นแตกต่างในทางกายภาพด้านนอกแต่สาระของธรรมะอริยสัจสี่นันเหมือนเดิมทุกอย่างพระพุทธเจ้าเองตรัสไว้ในที่หลายๆแห่ง ไ, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรๆนั้นก็เป็นของของเดิมพระพุทธเจ้าจึงตรัสในความหมายตรงนี้ว่าไม่ใช่เป็นผู้สร้างธรรมะแต่เป็นผู้ค้นพบธรรม ที่ี้ที่ตรัสว่าเป็นเจ้าของทำเนี่ยหมายถึงเจ้าของในแง่ของการค้นพบเหมือนกันนะักคนคว้านะักคนคิดผู้ค้นพบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของสาระสภาวะของความรู้อันนั้นเป็นแต่เพียงเจ้าของในเชิงลิขสิทธิ์ผู้ค้นพบเป็นคนแรกนั่นคำว่าธรรมะสามีจึงหมายถึงเป็นเจ้าของโดยการค้นพบไม่ใช่เป็นเจ้าของในฐานะเป็นผู้สร้างเหมือนอย่างพระเจ้ า, จาผู้สร้างโลก ของเหล่านี้เป็นของเก่าที่คื้อไม่ใช่เป็นผู้ค้นพบใหม่เอี่ยมดีเดียวเป็นของที่คนอื่นก็ค้นค้นแบบนี้หายไปแล้วคนพบกันดีกหายแล้วก็คนพบกันอีกซ้ํซ้ซากซากแล้วแล้วเล่าเล่าไม่ใช่ไม่มีใครเขารู้มาก่อนเลยก็เห็นจ่พูดว่าคนพบเป็นคนแรกหลังจากศาสนาพุทธเก่าหรือผู้ค้นพบเก่าดับขันและศาสนาท่านเสื่อมไปหมดแล้วจึงมาค้นพบต่อภายหลัง จากนั้นก็ได้ทรงนํามาบอกกล่าวเปิดเผยเปิดเผยเพื่อให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามคื อ, เ, อเวลาที่ปฏิบัติตามพระ อ, องค์บุคคนพบแล้วก็พบด้วยปฏิบัติด้วยจนสําเร็จแล้วก็ให้คนอื่นมาปฏิบัติตามเนี่ยก็ได้สําเร็จไปด้วยเนี่ยถืงอย่างนั้นในความหมายอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่บุคคลบรรลุแล้วสําเร็จแล้วก็ไม่ใช่ของคนนั้นเองกันพูดอย่างสภาวะประมัสตรนะ จะพูดว่าเป็นของคนนั้นก็โดยสมพุทธเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นผู้ค้นพบมรรคปรากฏในสันดาลเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆในแง่ของภาษาปรมัตมันเป็นเพียงนามรูปที่พัฒนาจนถึงจุดหนึ่งที่ควรยินดีเท่านั้นเองแล้วก็ทําให้นามรูปได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไ ป, ปแต่ก็ไม่ใช่ของใครอยู่วันอย่างคำก็ เ, เป็นอนันตาเนี่ย อนรรัตตาเนี่ยก็เนื่องเรืองอนัตต์ญาติญาด้ว ย, รรร ย, วยและการที่ทรงตรัสว่าเป็นผู้ลืมสัตว์วัตสัตว์อย่างที่ผมตั้งประเด็นนี้มาเกี่กับการที่เป็นผู้ชี้ทางเมื่อเวลาตรัสว่าเป็นผู้ชี้ทางเนี่ยเป็นการตรัสในแง่ของข้อเท็จจริงสภาวะข้อเท็จจริงว่าทุกคนต้องใช้ความเพียรเฉพาะตัวธรรมะนั้นเป็นขอเป็นปัจจัดตัง้งรู้ได้เฉพาะตัว ไอ้รู้ได้เฉพาะตัวก็คือทําได้เฉพาะตัวด้วยไม่ไดคนอื่นทําให้คนอื่นก็เป็นแต่เหตุปัจจัยชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางโดยการแสดงธรรมก็เป็นเหตุปัจจัยชนิดหนึ่งทําให้เราผู้ทําตามนั้นได้พัฒนานามรูปของเราให้เป็นมรรคยานบริยานขึ้นก็เท่านั้นเองแต่ที่ตรัสว่าลื้อสัตว์ข้นสัตว์เนี่ยก็จรัสด้วยอํานาจ ของโวหารเปรียบเทียบว่าการทําอย่างนี้ก็เหมือนช่วยเหมือนแล้วพูดว่าช่วยเนี่ยแม้แต่การช่วยอย่างธรรมดาความจริงก็ไม่ได้ช่วยจริงๆเราจะพูดช่วยช่วยอะไรบางอย่างก็ไม่ใช่ช่วยจริงๆนะมันช่วยบางอย่างเห็นชาติเาช่วยไม่ได้เช่นช่วยกินช่วยนอนช่วยถ่ายมันช่วยไม่ไดก็จะพูดไปอย่างนั้นเองบางทีก็พอรู้นะแต่สภาวะทำเนี่ยแม้แต่เรื่องดูก็ช่วยไม่ได้เหมือนอย่าง กรณีที่ได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้บางทีศาสร์ว่าเป็นผู้หรือสัตว์ขนสัตว์ก็เป็นแต่เพียงขนด้วยวิธีการสอนให้เขาทาเองช่วยให้เขาช่วยตัวเองนั่นแหละครับโดยเมื่อพระองค์ช่วยนช่วยในอาการหนึ่งและเมื่อผู้ได้รับการช่วยช่วยตัวเองก็ช่วยในอาการหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ตรงนี้นี่ยมีข้อดีที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงความเป็นเจ้าของธรรมและพูดอย่างนี้เป็นของที่แน่นอนที่สุดเลยฟังได้เมื่อไหรเมื่อไหรก็ฟังได้ที่ไหนที่ไหนก็ฟังได้นี่ถ้าถามว่าไปค้นพบที่ไหนเนี่ยเราก็จะตอบได้ครับว่าไปค้นพบได้ที่พระวรกายขระองค์เงที่ตัวเองนะะั่นแ่ะนามลูกของตัวเอง เราเองเป็นผู้ค้นตามตามดูก็ที่ตัวเราเองเหมือนกันไม่สามารถที่จะไปใช้ของคนอื่นได้หรือไปดูที่คนอื่นอย่างเป็นกิจจลักษณะได้นี่ก็เป็นข้อที่ได้ทรงตรัดไว้โดยประมาณอย่างนี้แล้วก็ได้ทรงตรัดไว้เป็นอปุปมาอุปมัยหรืออุปมาอุปมชัดในตอนหลังว่าเราได้เดินตามหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วย องแปดประการอันเป็นหนทางเก่านั้นเมื่อกําลังเดินตามหนทางนั้นไปได้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเ อ, อเนื้อความของธรรมะเหล่านี้ ลำพังการเรียนปริญญาติีเฉยๆล้วนๆเนี่ยไม่อาจจะเรียนให้ทราบซึ้งได้และไม่อาจจะอธิบายให้ทราบซึ้งอย่างไรได้เพราะว่าธรรมะในขั้นสูงนั้นต้องได้ทั้งหลักการและได้ทั้งความรู้สึกในธรรมอันสมควรแก่หลักการนั้นไปด้วยกันลำพังเมื่อจะให้ให้รู้สึกหรือให้ยอมรับว่าความเกิดเป็นทุกข์หรือความแก่และความตายนั้นน่าจะพึงกลัวน่าสังเวช แต่ในขั้นความคิดนั้นเราก็เข้าใจได้โดยยากอยู่วันยังค่ำแล้วและออกจะเห็นว่าใครที่เห็นชีวิตด้วยความน่าเบื่อหน่ายเห็นความเกลีย่เ จ, จ็บตายด้วยความน่าเบื่อหน่ายนั้นเหมือนเป็นคนมีปัญหานะฮะแต่จะว่ามีปัญหาก็เป็นปัญหาอย่างตั้งขึ้นโดยปัญญาเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เราอเปลาะบางกับสิ่งเหล่านี้มากและคนที่มีวาสนาบารมีทางการสั่งสมอ บ, บรม วิปั ส, สนามาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้โดยง่ายะต้นลึกนาบางอาจจะแตกต่างกันไปคือพูดง่าว่าไม่อยากเกิดและที่ไม่อยากเกิดเนี่ยเพราะว่าเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไอ้ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะสร้างความเบื่อหน่ายด้วยการคิดพิจารณาโดยประการใดๆได้เลยและถ้าบางคนมีความรู้สึก โ อ, อนอ่อนม อ, อ, อ, อนตังคิดคล้อยตามไปก็อาจจะมีแรงฝืนว่าเราถ้าจะผิดปกติไปแล้วเราถ้าจะมีปัญหาทางจิตใจและอารมณ์แล้วอะไรต่างๆอย่างนี้ก็อาจจะกลัวความคิดของตัวเองก็ได้แต่หารู้ไหมว่าความคิดอย่างนีเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลไม่อาจจะได้โดยง่ายคนได้ความคิดอย่างนี้อถ้าไม่ใช่เพราะ เป็นคนมีปัญหาทางจิตทึ้งก็คิดไม่เป็นอย่างนี้ทีเดียวนะะก็คือคนที่มีวาสนาบาลีก็อันนี้ก็เป็นการตรัสตรงนี้นะะคนพบพร้อมๆอมกันไปเลยเ <c oughs> มื่อเรากําลังเดินตามทางประเสริฐซึ่งประกอบด้วย อ, องค์แปดเนี่ยอันเป็นเส้นทางเก่านั้นไปอยู่ได้รู้ชัดซึ่งชาติก็คือปฏิจจาทุกองค์เนี่ยครับนำรูปทุกปลอกทุกกระบวนการ ในขณะที่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนี่ยก็จะรู้หมดรู้โดยตรงก็คือถ้าเราไม่ทําอย่างวิปัสสนาก็รู้จุดหนึ่งก็เชื่อมตัวนี้จุดหนึ่งได้ถ้าทําอย่างวิปัสสนาก็กําหนดรู้ไปเป็นส่วนๆ ต, ตอนๆไปเพราะเราทําในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาทแล้วเวลาบรรลุเนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีปฏิจจสมุปบาทอยู่ในสํานึกอีกต่อไปถือว่าบรรลุแล้ว ปล่อยนำลูไปจกักมิปานเป็นอาหลบจากนั้นสุดท้ายของสูตรนี้ได้ตรัสว่าครั้นได้รู้ชัดซึ่งทางอันประเสริฐอั น, องงนประกอบด้วยองค์ประกอบารนั่นแล้วจึงได้บอกแก่พวกพิสูพิสุนีบาโสกาบาติกาูกุคกนพิสูทั้งหลายโรมจรรรันของเราจึงได้เจริญแพร่หลายกว้างขวางมีชนเป็นอันมากรู้เป็นปึกแผ่นจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ประกาศได้เป็นอย่างดีดังนี้แหละตัวนี้ก็มีเนื้อความที่น่าดูนะฮะว่า โดยธรรมดาเนี่ยผู้บรรลุธรรมทุกคนจะมีอาการเหมือนกันหมดอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกให้คนอื่นรู้ถ้าเรามานึกเทียบ ก, กับไอความสําเร็จด้านอือ่นของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมาอันหนึ่ง่ะคือเวลาเราได้เราจะนึกถึงคนที่คนใดคนหนึ่งที่อยากให้เขามีส่วนได้ส่วนรู้ในความสําเร็จของเรานะแต่ว่าไอความสำเร็จทั้งโลกนี้เราจะนึกถึงคนในวงแคบคือคนที่เรารัก ความเฉลยอดโลกนั้นไม่ทําให้คนรักคนมากขึ้นแต่คนที่มีความเหลยอดในทางธรรมจะทําให้เกิดความรู้สึกต่อมวลชนด้วยแบบมวลชนรักคนอื่นมากขึ้นดังนั้นคนที่ได้ทำมาเนี่ยจึงอยากให้แก่คนมากขึ้นไม่ทําตัดอย่างพระพุทธเจ้านะอยากให้คนได้ประโยชน์จากธรรมเนี่ยทุกทุกคนเวลานึกถึงคนยังนึกถึงทุกทุกคนเพราะความที่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่ไม่เกลียใครเลย มีจิตเครือคูนย่างไม่จำกัดจึงส่งพยายามที่จะเผยแพร่นะครับถึงจะมีไอข้ออ้างตัวเป็นเงื่อนไขของคนอื่น ม, มาริตรอนบ้างเมื่อตอนพิจารณาถึงเวนายสัตต์อยู่ก็ส่งแก้ไขบรรเทาได้ในที่สุดออันนี้ก็เหมือนเหมือนกับเราครับธรรมะก็เลยอยู่ได้เพราะพลังตรงนี้เพราะคนมีธรรมะและ้วก็ก็รู้ว่าเป็นของดี และพองกับรักคนอื่นมาด้วยก็ อ, อยากให้คนอื่นได้ทำมาก็จึงได้บอกในนี้ท่านบอกว่าบอกแกพิกสุพิษุลีบาโสบาริากาอเป็นการกล่าวอย่างโดยในของเวนยสัตว์และของพุทธบริษัทขอโทษนะฮะบางครั้งเราก็อาจจะตรัสเรียกโดยเทวดาและมนุษย์โดยกําเนิดบรญชีชิตและกระดือหัดเนี่ยโดยเพศแต่ก็ทั้งหมดก็จะเรียกว่าอย่างไงโดยรูปแบบเนี่ยตาราก็คือเวนัยสัตว์ ก็บอกแกภิกษุภิกษุณีบาสกบัติกาบอกตรงนี้ไม่ใช่เล่าให้รู้เหมือนอย่างเล่าแบบประสบการณ์สารคดีท่องเที่ยวหรือเล่าแบบเขียนประวัติการบรรลุธรรมประสบการณ์การเดินธุ ด, ดงเล่าเพื่อคนมีประสบการณ์ได้อย่างหนึ่งต้องการอย่างหนึ่งเล่าให้คนเด่นก็คนเดินก็ฟังอย่างหนึ่งเพื่ออย่างหนึ่งไม่ถึงระดับกัน แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อบอกเล่าหรือบอกและต้องการจะให้คนฟังเนี่ยทำอย่างพระองค์ทำเป็นอย่างพระองค์เป็นได้บรรลุอย่างที่พระองค์ได้บรรลุแล้วก็ตรัสว่าพรหมจรรย์ของเรานี้จึงได้แพร่หลายก็คือตั้งแต่แสดงเรื่องนี้มาโดยลำดับคือเวลาพระองค์พิจารณาคนพบธรรมะเนี่ยเป็นคืนตรัสลุตอนหัวข่ํานะพอ ตัสลูแล้วก็ได้ทรงค่อยๆบอกค่อยๆเผยแผ่เรื่องนี้มาบอกเมื่อศาสนาล่วงเข้าถึงยุคกลางแล้วสมัยกลางพุทธกาลเมื่อศาสนาถป็นปึกเป็นแผ่นก็ค่อยๆเล่าตามโอกาสอันเหมาะสมธรรมะนั้นได้จเจริญแพร่หลายกว้างขวางมีชนเป็นนั้นมากรู้รู้ตรงนี้หมายถึงบรรลุตามไม่ใช่รู้ในเชิงปริยัตเป็นปึกแผ่น จนกระทั่งเทวดา Finanz, และมนุษย์ก er ็ประกาศได้เป็นอย่างดีแหละคำว่าประกาศได้หมายถึงเทวดาก็สอนแก่เทวดาให้ปฏิบัติวิปัสสนาได้หรือเทวดาก็สามารถที่จะมาสอนมนุษย์ให้ปฏิบัติวิปัสสนาได้สำหรับมนุษย์บางคนเทวดาบางคนมนุษย์ก็สอนให้มนุษย์ปฏิบัติวิปัสสนาได้หรือมนุษย์ก็สอนให้เทวดาปฏิบัติวิปัสสนาได้มนุษย์ที่ขึ้นไปโปรเทวดา หรือจะเป็นไม่ต้องขึ้นนะล้วอยู่ข้างล่างตอนเทวดาข้างล่างนี่ก็ได้จะเหมือนตามอที่ฟังธรรมเทวดาเข้าไปนั่งเรียนเราก็มีเทวดาที่เขไม่ฉลาดไปฝ า, า, า, ากคนบรรยายกขนามาฟังหลายฝาก็มามาฟังการปฏิบัติธรรมก็แพร่หลายออยู่ในยุคนั้นนะก็วความจริงก็เลยมาถึงครั้งหลังพุทธกาลเนี่ยก็มีการศึกษาปฏิบัตินี่ถือว่าเป็น สาระสําคัญอย่างมีเย่ยมของพระพุทธศาสนาคือเรื่องวิปัสนาเรื่องอารยมรักแต่เพราะฉะนั้นคนเนี่ยโดยพอนิสิตที่เขาเรียนทางศาสนาเนี่ยเขาชอบถามอย่างที่คุณเคยวเวลาเราบมรักแปดอารยมรักเห็นว่าประเสริฐเขานับดูก็อบอดูยังไงก็ไม่เห็นประเสริฐเขาเลยเขาชอบถามเนี้ยนะแล้วก็หาคําตอบกลุ่มฟังแล้วไม่ขนาดไปถามคนอื่นเลยเก็ยังตอบแล้วไม่เห็นประเสริฐสักที <laughs> พวกอาจารย์คณะเขา เรจัดมาครับให้ผมไปนั่งตอบช่วยตอบให้เห็นว่าประเสริฐยังไงตัวดเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดรูดคาดและเห็นได้แต่ว่าเรารู้ว่าศีลสมาธิปัญญาหรือภาวนาในวิเศษยังไงนะถ้าคนที่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมต่อให้ดูว่าความจริงมรรคแปดก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเอง คุณเข้าใจได้เดี๋ยวนี้ว่าศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นองค์ประกอบของศาตนาวิเศษอย่างไรมรรควิเศษอย่างนั้นแหละอย่างที่คุณเข้าใจแล้วและที่จะกระจายต่อไปถ้าคนไหนยังได้แต่อ่านเรื่องมากคมาไม่เคยปฏิบัติกรรมาฐานไม่เคยเข้ากระบวนการศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องพูดบอกให้เขารู้ว่าภาวนามันดีอย่างไรแต่เขาจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างฉับพลันทันที นั่นแหละคือความวิเศษของอริยมรรคอันประกอบ ด, ด้วยองค์แก็เราก็ต้องทายเข้ามาปฏิบัติถ้าถึงจะได้พอเข้าใจได้ว่าวิเศษที่สุดเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่วิเศษที่สุดที่เราคิดว่าเราได้พบเนี่ยนะมันไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองไม่ใช่อะไรคือสิ่งนี้เทะนะ่าวิเศษที่สุดวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นที่รวมของฐานศีลและของศีลสมาธิปัญญาหรือคือขยายเต็มที่คือมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นอาริยมรรคก็ขอให้พยายามเสรสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนี้ให้มากที่สุดเราอย่านึกนะว่าชาติไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เราจะไม่มีโอกาสอย่างนี้ทุกชาติและชาติที่เราพบแล้วแล้วก็มีโอกาสต่างกัน พูดไปพูดมาเข้ามาลงที่ตัวเองช่วยโอกาสช่วยโอกาสแวบไปสองเดือนแล้วก็กลับมาเจอกังหมก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ไม่รู้จะไปท่าไหนนะ <c oughs> ก็เลยก็เลยขออำลาไปสองเดือนก็หลังจากนี้ก็จะกิจกรรมจะหยุดก็มีที่จะลาพูดอีกครั้งเดียว แล้วก็วันอังคารก็มันตึกเตสในวิโยุเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมดแหละสำหรับคราวหน้ามีอาอยังมีอาทิตย์หน้าในมีนะท่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนกุมภาเมื่อกี้ไปคุคกยกับทางกรมณมิชท่านก็อยากจะบอกว่าอาจจะขอหยุดไปสักบ้างหยุดไปไหนผมก็ไม่รู้นะไปถามเขาเองคงจะกลัวเสียเปลี่ยนผม นี่ก็จะหยุดถ้าจะหยุดไปเมื่อกี้ที่ประกาศไว้เนี่ยอาจจะต้องประชุมตกลงกันอีกทีแต่ข่าวหน้าขอให้มาก่อนและจะได้คําตอบข่าวหน้าพร้อมทั้งเอก ส, สารอะไรๆยืนยันเป็นที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งได้คุยกับคุณประสิทธิัก์กับคุณบุษบวญีออุบาสกอุบาสิกาเจะาอาวาสเจ้ของสถานที่ด้วยว่าเห็นว่าท่านจะไปเชิญเใครที่มาสอนเรื่องสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะท่านจะมาลงวันไหนได้คุยกันให้ชัด ก็จะได้คำตอบแน่นอนอาทิตย์หน้าแต่อาทิตย์หน้าขอให้หมายกั้งหน้านอาะครับผมขอยุติสำหรับการบรรยายในปีนี้ในครั้นี้เพียงเท่านี้ขอให้ได้กรุณาแผ่บุญของพวกรเราที่นะครับนะไปให้แกสรรพสัตว์โดยทั่วหน้าไม่เลือกหมู่เลือกนีกายเลือกสติทั้งในที่ไกลที่ไกลพั่วไปทั้งหมดเลย พัวไปทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือเลยพัวไปทุกอัตภาพเลยทีเดียวและพร้อมกันนั้นก็ขอให้ตัวข้าพเจ้าเองผู้แพรนวนมิตของพระพเจ้าที่ร่วมแพร์มาอยู่ที่นี่ทั้งที่เป็นมนุษย์เพศชายเพศหญิงเป็นเทวดาเทพบุตรและเทพประเทวีที่อยู่ในที่นี้ขอให้ ข้าพเจ้าและท่านทั้งปวงจงได้ชีวิตอันประเสริฐรุ่งเรืองขึ้นโดยธรรมจเจริญในพระปริยัติอย่างถูกต้องถูกตรงทรบทั่วอย่างดีจเจริญในปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาจเจริญในอันตาภาพอันประณีตขันธวิบากทั้งรูปทั้งนามอันประนีตเข้มแข็งและ จเจริญไปในพวกคสมบัติอันเป็นเครื่องอนุเคราะห์ชีวิตและอนุเคราะห์ะรูมธรรมเจริญไปในมวลนิสหมู่ญาติทั้งโดยความคุ้นเคยและโดยสายโลหิตขอให้พวกเราทั้งหลายได้พบกันและกันและได้เกื้อกูลกันและกันโดยธรร ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ส, สัตเพสัตตาเวลาอัปปายาป ช, ชาอานคขาสุขียาตานันปริหาลันตตเป็นประชุมทีนี้ครับ